เสียงตัวเองก็ต้องถามคนอื่นแต่ก่อนไม่มีดอกคำถามเรื่องนี้นก็เพื่อนเพื่นไปชีวิตเนี่ยนี่หัวก็ใช้ไม่ได้นี่เสียงก็พูดไปออก มันก็จะต้องเป็นอย่างนี้นี่คือวัดป่าสุโกโตนะวัดป่าสุโกโตเขาทำอะไรกันมีอยู่ที่นี่มาแล้วสี่สิบกว่าปีแล้วทำอะไรอยู่ที่นี่ที่นี่เป็นสถานที่ศึกษาเรื่องกรรมฐานกัน เดิมๆตั้งแต่ต้นๆพุทธกาลจับงานงานเก่าเรื่องกรรมฐานเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์สามารถลิขิตชีวิตของเราไปสู่จุดหมายปลายทางได้มีทางออกได้ชีวิตของเราเหมือนอยู่ในคีรีวงกฎ เกรเบียนอยู่ไม่ออกไม่มีทางออกไม่พบทางบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์บางทีก็รักบาง ท, กกางทีก็ชังบางทีก็พอใจบางทีไม่พอใจบางทีก็ดีใจทุกข์ใจสุขใจตอนว่าสุดตรงไปคนละทางมากไม่เหมือนกัน บางคนก็เป็นสุกเพความทุกข์ของคนอื่นบางคนก็เป็นทุกข์เพรคนอื่นเป็นสุกเพระของหลงก็เบียดเบียนกันได้วันนี้ก็มีคนฆ่ากันตายตอนฆ่ากันน่ยหรือว่าเป็นความถูกต้องถ้ามันหลงแล้ว เรเดือดร้อนต้องคู่พรานั้นเนี่ยชีวิตของเราอะไรมันเป็นอย่างนี้พี่มงกฎเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันทำไมจึงต้องฆ่ากันเป็นสามีพัญยากันทำไมจึงทะเลาะกันฆ่ากันหนีจากกันทิ้งกันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเต้าทำไมจึงโทษทิ้งกัน เกียดชังกันก็ลองศึกษากรรมฐานดูสิมันถ้าไม่ศึกษามันจะเป็นคนแล้วคนกันไปกรรมฐานนี่เป็นวิชาที่ทำให้เราเป็นคนคนเดียวกันเป็นคนคนเดียวกันทำไมจึงจะเป็นคนคนเดียวกันได้นี่แหละ ให้สติดูแลกายใจของเราให้กายไปจุ่มเอาสติให้สติไปจุ่มเอากายเท่านี้ก่อนกไก่ขอไขไปก่อนไม่ต้องไปหาความคำตอบจากความคิดจะเป็นยังไงจะผิดจะถูกยังไงไม่ต้องไปคิดเอาการกระทำ จึงเดียกว่ากรรมฐานเป็นที่ตั้งของการกระทําก่อนนั้นเราเรียนกอไก่ขอไขต้องตั้งต้นที่นี่ขีเขียนลงไปมือก็ต้องหัดเขียนตาก็ต้องดูปากก็ต้องขูดว่ากอไขของไขขอไขขอไขในขวดนะขอไขของขอไขของจำไม่ได้นะ เรก็ว่าไปเ <c> ห <oughs> มือนก็ลูกคนเดียวกันน่ยภาษาไทยใครก็ลูกก่อใก็เป็นคนอ่านอ่นเดียวกันควรจะเป็นอย่างนี้ชีวิตของเราเป็นสูตรสําเร็จภาษาสูตรสําเร็จของชีวิตที่เป็นคนเดียวกันคือควรู้จึกตัวเนี่ย ใครๆก็มีความรู้ไปในกายอยู่มีสติเปในกายมีกายอยู่กับสติอยู่ก็จะอ่าออกเขียนได้มันก็ไม่ใช่มีสติอย่างเดียวมันจะเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นในระหว่างศึกษาในระหว่างดูบางทีก็หลงบางทีก็มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นพัด เราไปเหนสุกเว้นทุกข์พัดเราไปเว้นผิดเว้นถูกพัดเราไปเป็นหลงเป็นรูปพัดพาเราไปอย่าไปเกาะหลักไว้ก่อนอยู่กับกายอยู่กับติตไปก่อนหัดตรงนี้จึงจะเป็นกรรมฐานถ้าไม่ตั้งไว้ตรงนี้ไม่เป็นกรรมฐานมันไม่มีหลักมันไม่ยั่งลากเหมือนจอบอยู่ในน้ำ ไม่มีราบแล้วแต่ลมจะพัดพาไปทางใดมันก็เป็นอย่างนั้นชีวิตเราคุ้มลอยคุ้มดีฟูฟูแพบ่แพบเราจะมาปักหลักษาให้มันเห็นเกิดอะไรขึ้นก็เห็นเห็นที่มันเกิดขึ้นมาถ้าเห็นแล้วก็กลับมาหาหลัก หลักก็มีอยู่จริงพอดีพอดีอดอดกรรมาฐานตามแบบที่พุทธองค์ได้ศึกษาก็มีสูตรว่าการคู่แขนเข้าการเหยี่อแขนออกมีสติคู่แขีนเข้ า, าเหยื่อเฉนออกการหายใจเข้าการหายใจออกการเดินไปข้างหน้าการเดินถอยกลับ พระ อ, องค์อาจจะหัดหลายรูปแบบณะไม่กี่ชั่วโมงตั้งแต่ย็นคำ่ำถึงตีสี่ตีห้าเนี่ยนั่งอยู่ใต้ต้นศรีหมหาโพธิ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นขนาด น, นั้นอา จ, จะเห็นทุกเรื่องกับชีวิตของพระ อ, องค์โดยทีเดียวแต่ก็มีหลักก็กลับมา เราจะคิดถึงพิมพาราหนุนย่มคิดคนมีพันญยามีลูกมีประสาทสามได้ดูบางทีก็เปรียบเทียบกันกันกบโตชีมาโพพเราะคนเคยสมบัติสุขมาอยู่กับความทุกข์มันจะขนาดไหนมันต้องคิดไว บางทีให้ความคิดถอบผิวไปก็ได้ไม่ไปกลับมากลับมาไม่ใช่มานั่งคิดไม่ใช่มานั่งหาคำตอบจากความคิดเหตุผลดอดไรรู้อยู่นี่้รู้อยู่เนี่ยกบมามันหลงไปก็รู้นั่นละมันดีตรงนี้ มันสุกก็รู้เนี่ยมันดีตรงนี้จึงจะเป็นกรรมฐานมันทุกข์ก็รู้มีแน่นอนสุขทุกข์ตัวสภาวะที่หลงสภาวะที่รู้สุขหลายรูปแบบนั่งนานตั้งแต่หกโงเย็นถึงตีสี่ตีห้าเนี่ยสิบกว่าชั่วโมงต้องเก็บต้องปวดเปิดเป็นสุขกันทุกทางกายทางใจ สมัยเป็นเจ้าผ้าชายอาจจะไม่ได้อยู่ในรีบทนี้นานขนาดนี้นี่สาสนมกำนันนายปฏวีอยู่ลุ้ยยังไม่ใจเลยไม่ได้ตอมนั่งอยู่ใต้ต้นชีมาโพ น, น มันไม่ใช่อย่างอยู่ในประชาราสฤดูต้องมีแน่นอนอาจจะมากกว่าเราด้วยสู่ขนาดไหนเราังนั่งอยู่ในหอใจมี พ, พ้าปูนั่งมีกระดานมีเพื่อนมีมิตรมีผู้คู่ทฟังมีรูปแบบทั้งผู้อื่นพูดทั้งเราได้ศึกษามาไม่ใช่วแบบ่าเราไม่มีรู้อะไรรู้มาหมด สุขก็รู้สุขก็รู้ิตก็รู้ถูกก็รู้รนี่มีเดินอื่นพาเราไปวันนี้ไม่ไปไม่ไปอยู่กบมากบมาเอาไปเอามาก็ที่แรกก็ยากหน่อยแล้ ว, ว่างเปลี่ยนหลงเป็นเปลี่ยนรู้เป็นหลงเนี่ยมันก็ยากวันหลงหลายแบบหลงไปกับความคิดกลับมา หลงไปกับความสุขกลับมาหลงไปกับความทุกข์กลับมาหลงไปกับความอะไรต่างๆมากมายสุขทุกข์เกิดจากกายสุขทุกข์เกิดจากใจมีมากกลับมากลับมาไม่ใช่มานั่งคิดถึงเพียงพาราห์โหนเรามานั่งเพื่อศึกษาเรื่องชีวิตจริงๆให้เห็นว่า น, นี่มันเกิดจากนี้ ทักท้วงเอาทักท้วงเอานี่คือสุขนี่คือทุกข์ไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์กลมวงสุขกลมทุกข์มันจะดีตรงนี้สุขทุกข์ไม่มีค่าผิดถูกไม่มีค่าอะไรที่มันเกิดขึ้นมีแต่สภาวะที่รู้เข้าไปเนี่ยกรรมาฐานไปอย่างนี้ไม่เชนั่งเจ้านั่งซึมเสานั่งง่วงเหงาห้อนอนมันได้บทเลียนอยู่ตลอดเวลา แม่ความง่วงที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงต้องมีกันทุกคนที้ ว, ว่าน้งตาก็ตบโทรศัพท์ง่วงอย่างหนักจนขคร่ําเพียดจนตาปิดจะลืนก็ไม่ขึ้นต้องเอามือต้องเ อ, อหน้ามาล้างต้องทำอะไรหลายแบบ ถ้ามันได้ง่วงเราต้องมีกันทุกคนความง่วงเป็นความง่วงอย่างนั้นหรือความง่วงอาจจะเป็นความรู้สึกความง่วงมากับความรู้สึกตัวก็ได้หัดเปลี่ยนทวนกระแสอย่าค่อยตามมันไปทวนเอาไว้ความง่วงก็เห็นที่มันเกิดขึ้น แล้วก็มีเครื่องทุ่นแรงอริบรุตที่กรรมาฐานโดนจง ก, กรมบ้างมันเกิดความม่วงอย่างรุนแรงอย่างพระโมคคัลลดนึพระอะไรง่วงอย่างหนัก <c oughs> ก็บอกให้น่าน้าล่างหน้า มือรูปไปตามตัวตามใบหน้ามองไปไกลๆมองยอดไม้มองทิศทางยืนขึ้นมองทิศเหือทิศใต้มือรูปไหลไปตามหน้าตามตัวน้าร่างหน้า <c oughs> <c oughs> ไม่แ ย, ย่หูเดินจงกมรมอดิบทแรงๆสนใจอย่างอื่น บางคนก็นาดนั้นบางคนมันยากบางง่วงรู้ขึ้นมายือตัวขึ้นอย่าให้อยู่ในอิบทเดียวนานๆเปลี่ยนอิบทใหม่เรื่อยๆเช่นเรานั่งเนี่ยอนอนนั่งก็ยือตัวด้วยจังหวะอาจจะวางลงงอยือตัวตั้งท่าใหม่ใบหน้าใบใจ หน้าตาหน้าใจทำความเห็นให้สดชื่นยิ้มเย่ยแจ่มใส ม, ม, ม, มองใบหน้าให้ได้ฉากจายตาให้ได้ฉากได้าวางเอวอยืตัวขึ้นทำใหม่ๆอยากให้มันเก่าๆหลังขดหลังงอนานไปนานไปใจก็ผู้แพบ่ ต้องให้อยู่ในสภาพที่ยี่ยมเยี่มยมแจม่มใสอยู่เสมอวางใจให้เป็นวางกายวางที่ทางให้ถูกต้องอิบอดก็หาะถัดไปใหม่อาจจะอยู่ในอิบอดที่สะดวกเส้นน่อยบางก็ก็นั่งตัวลอยลอยไม่ได้ใาสาอะไรที่พิงไว้ก็ได้ น้อตาเคยนั่งเพีงนนาายงไม่หน้าสามไม่เสาลอยก็ตีน้อยๆเสาลอยบันไดหน้าสามันหน้าเข้าฝาอัานหลังออกทางเอามันเป็นเอามันจนเป็นลอยนะ้่งเงื่อไหลใครย่อยไม่สนใจ กติปลูกตากแดดต้นไม้เตี้ยวเตี้เพียงเอวเพียงคอดยังไม่มีร่มไม่เงาเป็นไร่ผ้าของเขาเราก็เป็นที่ของวัดให้เขาเลิกทบไร่ผ้าให้ต้นไม้มันเกิดเราก็ไปปลูกกติเพื่อให้ไม่มีคนมาเพวถ า, าง เอาอยู่ไกลไก่โมดอยหลังขาตากแรดมันจะร้อนขนาดไหนเงื่อไหลขย้อยจนเป็นลอยลอยมันเงื่อนนั่งนานๆมันจะเป็นมันติดกระดานพื้นถูไม่ออกเอาไป น, นั่นนั่งเพียงต้นเสาไม่น่าสาวเวลาเมื่อวันก็ทำแรงๆจนหลังตนสังชี้ต้องตะตะดตั หลังสีสีส่เสาจนเขย่าไปเลยสนุกสนานไม่อ่อนแอไม่ขอตกไม่เอ็นเอียงเพราะมันมีไม่น่าสามพิงไว้เอาก้นพิงให้ได้ฉากระหว่างก้นระหว่างสันหลังระหว่างหัวอเอาให้มันพอดีมันเกือบไม่ได้ก้มไม่ได้เงยพอดีพอดี เอานันหัดตนสอนตนวางทีก็ต้องจริงจังว่างอาศัยอันเด่นช่วยบ้างอาศัยตัวอย่างพุทธเจ้าว่างเวลาใดที่เราคิดว่าลำบากโอ้ยพระพุทธเจ้าลำบากกว่านี้คนอด่นลำบากกว่านี้ปีบเทียบหย่าหดถูหย่า คิดแคบๆเอาความคิดมาให้คับแคบมันไม่ใช่เอาเอาอะไรที่มันเป็นแบบอย่างที่ดีมาฝึกตนสอนตนหลงพ่อเทียนเขาอยู่ที่นั่นใครๆก็ไปเพื่อนเอาเพื่อนเขาจะอยู่เสียงเดินแทบๆๆอยู่เราจะมานั่งง่วงอยู่นี่ไม่ได้ตอนตีสามตีสี่เสียงน้ำข้าง ถ้าดูหนาวน่ยตกใส่ใบตองํามข้างตกใส่ใบไม้ใบไม้มันมีน้ามันก็ตกลงใส่ใบตองข้างล่างเป็นใบตองเสียงํามข้างตกเสียงนังปักแป๊กปักแป๊กเสียงลองเท้าเดินของพระตับตับตบเราจะมานอนอยู่จะมานั่งอยู่ทําไมเอาอย่างเพื่อนมิตร เอาจากหลายอย่างบางทีนกเขาโหนกอะไรหาอยู่หากินแล้วก็เอามาเป็นมิตรเป็นเพื่อนบางทีเห็นมแมลงไต่อยู่บนดินถ้าเป็นกลางวันก็ออกมาเป็นเพื่อนนี่ทางออกเยวะะสวนตนเนี่ยอย่าให้มันแคบแคบ เราอยู่ที่นี่ไม่ใช่เราอยู่คนเดียวเราก็มีเพื่อนมีมิตรเวลามันหลงรู้ให้ได้ยินเอาไว้เวลามันสุกรู้เวลามันทุกรู้มันต้องมีหลงมีสุกรมีทุกมมผิดรู้รู้เข้าไปรู้เข้าไปรู้เข้าไปรู้เข้าไปหัดคิดหัดเขียนลําดับลํานําตัวนี้ทําให้มันเป็น เวลามันหลงทําให้มันเป็นให้มันรู้ตรงที่มันหลงเวลามันสุกให้มันรู้ในตรงที่มันสุกเวลามันทุกข์ให้มันรู้ในตรงที่มันทุกข์มันจะไปไหนมันเปลี่ยนได้ปฏิบัติได้เปลี่ยนหลงเป็นรู้เนี่ยมันไม่ยากเหมือนให้มันห ล, ลงเป็นหลงถ้าหลงเป็นหลงมันยากกว่าเปลี่ยนหลงเป็นรู้เนี่ยมันมันถูกที่สุดชอบที่สุดเป็นจัดทำ ที่สุดเลยมันก็มีพลังมันได้ประโยชน์แต่ที่จะหลงไปถึงบ้านถึงคิดไปถึงบ้านถึงลูกถึงเมียมันก็กลับมาเป็นปัจจุบันเป็นปัจจบันตังมาให้คนคิดมัมหลอกมาให้กายมันหลอกได้มีสติเป็นเจ้าบ้านเจ้าเลือนแล้วดูแลมันอย่างดีเนี่ยมันก็มันก็ได้ควาโทก ชำนาญขึ้นในควงรลู้มันหลงก็รลู้มันหลงก็บลู่อ้อรอยอะไรก็บลู่ไปเนี่ยเหมือนเราเขียนกอไก่มันจะมีความชำนาญในกอไก่ขอไก่โตไปไม่ต้องเขียนกอไก่มันก็มีแล้วในชีวิตของเราประทุมที่ตรงนี้มัดยมที่ตรงนี้อุดมที่ตรงนี้ได้เลย บะดินยาที่ตรงนี้ยาตะปัญญาลูกในความลูกกลายเป็นญาณกลายเป็นปัญญาเห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นลูกเห็นน้ำไปเลยนั้นหลอกอนั่งอยู่เนี่ยเป็นลูกตัวหลงตัวคิดไปนุ่นสุกทุกข์นั่นเป็นนมามธรรมอู้มันมีลูกมีน้ำแน่เนี่ยบอกมันได้หลอก เห็นรูปทำเห็นนามทำเห็นรูปเห็นนามเข้าไปรูปนามมันก็บอกได้หลักได้ฐานถ้าจะเป็นโจทย์ถ้าจะเป็น จ, เนจำเลยนี่มีหลักฐานที่จะต้องแก้ต่างได้เอาชนะได้ในในเหตุในปันจจัยตรงเนี้ยความหลงไม่ถูกต้องความรู้ถูกต้องที่สุดความทุกข์ไม่ถูกต้องความไม่ทุกข์ความรู้เนี่ถูกต้องที่สุด ยืนยันเป็นรูปจริงๆเป็นนามจริงๆไทยจะว่าไม่ใช่รูปไม่ใช่นามหรือว่าไม่ใช่แล้วชีวิตของเราเป็นรูปทำเป็นนามทำมันทำดีมันทำชั่วถ้าทำชั่วก็เป็นทุกข์ถ้าทำดีก็ไม่เป็นทุกข์ต้องกิด ก, การกระทำบางกระทำใครทำให้เราต้องทำเองทุกคนต้องทำเอง อยากรู้ก็ต้องมีความรู้พออยากรู้ก็ปล่อยไปมันก็หลงอยู่เนี่ยเหือนความหลงความโกรธความทุกข์อย่วนเวียนกันอยู่ขี่มงกุฎมันก็ไปได้นะเมื่อมันมีทางพบทางแล้วมันไปได้ไมันมีทางออกโดยเคยเข้าขี่มงกุฎไหมเข้าใหม่ไปไม่ถูกออกไม่ถูกเหรอเด็กกล้องให้ก็ไม่ต้อง ต้องไปยก อ, อกมันไปไม่ได้ออกไม่เป็นเลยแตคนที่เดินดูชักหน่อยชำนาญไปถึงไปถึงพระศรีอริเมตไตนั่งให้ศินให้พร น, นั่งผมน้มอนอยู่ถ้าไปไม่ถูกก็ไปนรกไปเจอแห้งสบเหล็กสบทองเข้าเขาก็มี มีมจีจมพระบานแ้ไปไม่ถูกหรอตือข้อนอยู่มึงมาอะไรแค่นี้ทำท่าจะฆ่าจะเตียววิ่งลองให้ออกมาอ้าไปถุงกะจียอไม่ใจก็มีสะโบกนี่มีพระนั่งไงสินไ้พรมีอะไรดีด ไปกลับไปไหว้ผมนังมน่งมดได้หัดลู่อีกสิกลับไปถึงพระเลยกลับออกมาใหม่นี่ไวปตรง น, รงนี้ไปตรงนี้ ไ, ไปถึงที่เก่าแต่ไม่หัดตรงที่มันผิดอะไรจะหัดได้ยังไงจะไปทางนี้ทางนี้นผิดกลับมาทางนั้นเลี้ยวไปเลี้ยวมาสองรอบสามรอบปรจะไปถูกได้พาคนอื่นไปได้ ถ้าคนไม่เคยหัดสังเกตตรงที่มันผิดนะมันก็ผิดอยู่นั่นเวลามันหลงก็หลงอยู่นั่นหลงจนตายทุกข์จนตายโกรธจนตายถ้าไปถัดทีดีแล้วมันไม่นานนะอาจจะเป็นความหลงข้างสุดท้ายอาจจะเป็นความโกรธข้างสุดท้ายาจจเป็นความทุกข์ข้างสุดท้ายได้ตรงไหนอะหัดตรงไหนเวลามันหลงรู้เนี่ยหัดเลด เวลามันสุขมันทุกข์รู้หัดตรงนี้เหมือนกันหมดไม่มีใครพิเศษกว่ากันจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นพระเป็นครว่าญาโยมเป็นคนหน่คนเจ่หัดอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันจริงจริงไม่ใช่คนละเรื่องเลยทีเดียวการศึกษาอย่างเงินจะเป็นคนละอย่างกันไปการศึกษาเรื่องนี้เป็นอันเดียวกันเป็นสู้อันเดียวกัน รวมโกรธก้อเดียวกันผู้หญิงโกรธผู้ชายโกรธพระโกรธฆราวาสโกรธขนหนุ่มโกรธขนแก่โกรธคนชาติใดภาษาใด้เขาว่าโกรธว่าทุกอันเดียวกันหมดมันไม่มีพันธุ์ใหม่เหมือนบัดไข่วัดพันุ์ใหม่มันมีอันเดียวชีวิตของเราเนี่ยน่าจะไม่จนที่จะ เราจะยอมแพ้หรือขนาดาเนี่ยยอมแพ้ความหลงมันขี่ชา่างขี่ม้ามาหมายความหลงนะมันเกิดจากตาจากหูจากจมูกเล่นกายใจโลกรสกลิกก่นเสียงอยู่ในตัวเราเนี่ยความมั่ยหลงก็อยู่ในตัวเราเนี่ยเปลี่ยนเราดูมาหน้ามือกับหลังมือเนี่ยไปยอมแพ้หรือ <c oughs> ถ้าอาแพ้อย่างนี้เรียกว่าป่าราชัย ปาลชัยนี่คือปาลชิกนะไม่มีทางถึงมรรคถึงผลได้แพ้ความหลงไขความหลงเป็นความหลงปาลชิกใอ้ความโกรธเป็นความโกรธต้องอาบัตรปาลชิกใอ้ความทุกข์เป็นความทุกข์ต้องอาบัตรปาลชิกโทษหนักชีวิตของเราโทษใครทําให้เราทําเองแต่ถินโทษหนักต่างนานชีวิต <c oughs> ต่างนานชีวิตคือไม่มีชีวิตควอมโกรธไม่ใช่ชีวิตควอมทุกไม่ใช่ชีวิตควอมหลงไม่ใช่ชีวิตชีวิตจริงๆมันต้องไม่เป็นอะไรเป็นดีสละถ้ายังไม่สุขไม่ทุกไม่ใช่ชีวิตเลยนั่นแล้วว่าชีวิตไปห้อยเขียนไว้ แล้วแต่เขาจะใช้อะไรเขาให้ทุกข์ก็ทุกข์เวลานอนก็ยังทุกข์หาเรื่องมาทุกข์ให้ความทุกข์อยู่กับเราทั้งๆที่ไม่มีอะไรเราเพียนหน้าอยู่หัดได้อยู่เนี่ยเนี่ยปีใหม่เราจะต้องดําเนินชีวิตแบบไหนแล้วไม่ใช่ปีใหม่จะมาฉลองกินเหล้ามอยากันฉลองตรงนี้ผ่านได้เอาว่าฉลองคือผ่านได้ได้ใจ ช, ชนะ เวลามันหลงผ่านความหลงเป็นความรู้ฉลองเราหน้าชื่นใจเวลามันโกรธเปลี่ยนโกรธเป็นความโกรธมันภูมิใจมากเามันทุกข์เปลี่ยนทุกข์เป็นความไม่ทุกข์แทนที่จะฉลองยกมือไหว้ตัวเองมีเหลี่ยมไหว้ตัวเองบางทีก็ต้องมีมกนกนะบางทีมันทาท่าจะ คิดถึงโน้นคิดตึงนี่โกรธคนนั่นคนนี้มีใครก็เคยเคยโกรธเอาความโกรธมาด้วยก็มีใช่ไหมเอาความรักมาด้วยก็มีเออเอาความทุกข์มาด้วยก็มีบางคนมาฟังธรรมเนี่ยร้องร้องให้มามาฟังธรรมตีใจถ้าคนร้องให้มามาสนใจธรรมาบางคนป่วยมาหาหมอหมอก็ต้อง อ๋อคุณตาดีก็ต้องรีบช่วยหลายคนดีถ้าไม่มีทุกข์ไม่มีศรัทธาถ้ามีทุกข์ลวมีศรัทธาแั้วก็ดี๋ยวเท่าคนมีทุกข์บางคนก็ไม่มีศรัทธาถ้าตัวตายอย่างนั้นไม่ได้บอดทิ้งแล้วเราจะต้องให้ผ่ายแพร่เรื่องนี้ต่อมาชิดไปกลับมา เราไมีสิทธิอ่ะเรานั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่เรามาคิดถึงบ้านถึงช่องไม่ได้มานั่งคิดถึงคนรักคนชังเรามาปฏิบัติแต่ยกมือขึ้นโอ้ชอบทำทุชนมีสิทธิเวลามันหลงมีสิทธิไม่หลงเวลามันทุกมีสิทธิไม่ทุกเวลามันโกรธมีสิทธิไม่โกรธใช่สิทธิของตัวเองอะ ประชาที่ปัตย์ทำ ม, มาที่ปัตยเป็นอย่างนี้ชีวิตของเราเวลามันทุกไม่ทุกเวลามันโกรธไม่โกรธเวลามันหลงไม่หลงเวลามันจะหมุนไปทางไหนเปลี่ยนมานี่ของจริงเป็นอย่างนี้มีกันทุกคนไม่ต้องถามใครใครหลงเขาก็รู้เองเตียนหลงเป็นรู้เอง มาพ่อมกันเหมือนหน้ามือหลังมือพมหลงมาพ่อมัดกับควบโลภโอ้พระจิตะมองสองทางเนี่ยมีเกิดต้องมีไม่เกิดมีแก่ต้องมีไม่แก่มีเจ็บต้องมีไม่เจ็บมีตายต้องมีไม่ตายมองสองทางเนี่ยจนอกบวชหนีจากพระราชวังศึกษาเรื่องนี้รับ หอ้ใจกันกับพิมพาที่แรกพิมพาไม่เห็นด้วยเพราะเห็นเรื่องนี้ตั้งแต่พระจวลมายสิบหกพรรษาตพาดเหมืองกาบินละพัดเห็นกับตาเห็นคนเกิดเห็นคนเจเห็นคนเก็บเห็นคนตาย น้องหมรองง่ายเป็นทุกก็มาเป็นโจดตัวเองเป็นการบ้านถามใครก็ไม่เคยมีใครรู้พระองค์จึงตัดทิ้นใจศึกษาแล้วนี่ถามพระเจ้าปู่พระเจ้าเจ้าพระเจ้าตาพระเจ้ายายไม่มีใครรู้เลยต้องยอมรับ เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความบ่พภาคจาของรักของจะไปเป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจเป็นทุกข์ความขับแช่นใจเป็นทุกข์อา้าต้องเป็นอย่างนั้นหรือโลกนะ่ะไม่มีทางออกกันเลยถึงสแสวงหาบอกว่าพิมพากรลักศิตัตถะ จิตตะก็รักพิมาพาเรารักกันสองคนไม่เพียงพอต้องรักคนทั้งโลกต้องรักคนทั้งโลกการรักคนทั้งโลกทำไมต้องตอบปัญหาแล้วนน่ให้ได้พาคนในโลกนี่ออกจากนี้ให้ได้จึงเป็นความรักได้ว่ามหาครณาี่คุณ อะไรชี้ให่คนจะอะไรคิดจยางนี้นะนี้คนเดียวเท่านี้ที่คิดอย่างนี้นะหาคําตอบให้มนุษย์ทั้งหลายได้มีทางออกโจนเมื่อถึงพวกเราตะวนันแน่ว่ามีแน่นอนความหลงไม่หลงมีแน่นอนทําได้ความโกรธไม่โกรธมีแน่นอนทําได้ความทุกข์ไม่ทุกข์มีแน่นอนทำได้ เนี่ยมันทำได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการผู้มาปฏิบัติต้องทำด้วยตัวเองต้องทำด้วยตัวเองให้ใครทำแทนไม่ได้เราลักกันลักกันจะจะช่วยกันตรงนี้ไม่ได้เลยต้องช่วยตัวเองเป็นเพื่อนกันเป็นกันเลียนมิตรกันเป็นสหายกัน ด่านอยก็สุกโตีนจะไม่พาหลงทิศหลงทางนะเรื่องนี้จริงยังไงทิศยังไงเมื่อตอบไปยังเวลาหลงลูกขึ้นมามันจะเป็นยังไงสิ่งที่มันหลงมันเป็นยังไงมันจะเห็นหลายอย่างได้คำตอบไปหลายอย่างนะแม่จะสมดุาปีใหม่ ปีใหม่มันมีอะไรมันเปลี่ยนเลขท้ายตัวเดียวจากเลขอะไรเป็นอะไระเลขสองเป็นเลขสามมันมันอะไรมันดีปีใหม่ฉลองปีใหม่ฮอะไรมันดีมันก็ชืดเราก็หมดไปหลงตาก็หลงตา ก, าก็ก็ต้องก่งลงนิดหน่อยเดี๋ยวนี้เอวมันยั่งมาอยู่แล้วอ่อนลง มันเก่าไปแล้วมันเก่าไปแล้วแต่สิ่งที่มันดีคือใหม่ที่สุดตัวหนึ่งไม่เปื้อนๆจังใดอะไ ร, ะไรคือมันเห็นเห็นเห็นในี่ใหม่นะถ้าเป็นนี่เก่านะเป็นสุขก็เก่าไปแล้วเป็นทุกข์ก็เก่าไปแล้วเป็นผู้พอใจเป็นผู้ไม่พอใจ<ๆ>เก่า ไ, ไปแล้วเปื้อนแล้วถ้าเห็นเนี่ยมาจะฐาน ไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรนี่ลำใหม่ประพฤติผมอมจันทร์คือมันสุขเห็นมันสุก์นี่ผมาจันทร์แล้วเหนทุกข์เห็นมันทุกข์กเป็นผมอมจันทร์แล้วไม่ต้องโกนผมผมผ้าเหลืองผ้าขาวนุ่งผ้าสีใดก็ได้แต่ถ้าเป็นแล้วไม่เป็นผมอมจาันทร์ผมอมจันทร์คือไม่เปืเ่อน มันเห็นมันเห็นมันเห็นเนี่ยตรเนี้ยเป็นสมบัติของมนุษย์สมบัติของเราจ๋าให้อย่าให้พลาดตรงนี้มันเป็นนดกมันเป็นดีชักภายในของเราชีวิตเราเกิดมาแนว ย, ย่าสละสิตตรงนี้กันเพียรพยายามเถิดพวกเราอย่างน้อยเราก็เราก็ได้ศึกษาได้รู้ไว้ จะไปไหนมาไหนอยู่ยังไงในฐานะแบบไหนมันก็อยู่กับตัวเราไ่านเองก่อ น, นอนก่อนหลับให้มีกรรมาฐานบ้างให้รู้รู้สึกตัวให้เป็นนิสัยให้เป็นเป็นนิสัยเอาไว้ง่ายที่จะรู้ก็ไม่หัดพราะก็ให้ที่จะหลงง่ายที่จะหลง <c oughs> มีเยอะแยะทางหลง ถ้าหงัดง่ายที่จะรู้ถ้ารู้แล้วมันก็มีแต่รู้เลยไปอาจจะไม่ต้องหัดเพราะว่าาวะที่รู้มันถูกต้องที่สุดนี่ก็อยากจะไปบอกเรื่องนี้ต้ออกคนต้องหลายเนี่ยวันพรุ่งนี้วันนี้ก็จะไปประเทศจีนแล้วจะไปกินนะ <laughs> อยากจะบอก อยากจะบอกเรื่องเนี่ยเสียดายเสียดายเวลามันหลงเราไม่รู้เนี่ย <c oughs> อธีทองเวลามันโกรธไม่รู้เวลามันทุกข์ไม่รู้น่าเสียดายถ้าเปลี่ยนตรงนี้ได้จะดีที่สุดจะให้เปลี่ยนตอนไหนถ้าไปเปลี่ยนตอนไหนจะไปเปลี่ยนตอนที่นอนอยู่ในห้องไอซียูมันไม่ทนัน มันไม่ทันบางทีก็พอช่วยได้หายใจไม่ได้ทรมานหายใจไม่ได้ทรมานเป็นทุกข์ร้อนตาก็ช่วยอย่าอรมหายใจมาต่อรองกับชีวิตเราชีวิตเราต้องไม่เป็นอะไร <c oughs> บอก นอนหายใจไม่ได้อยู่ในเตียงหายใจไม่ได้ทรมานเหลือเกินน่า<ม>เลงกินปลอ ด, ด <c oughs> อดหลวงตาก็บอกว่าอย่าเอาลมหายใจมาต่อรองกับชีวิตเราลมหายใจเป็นอันอื่นอย่าเอาคิดไปห้อยไปแฉนกับลมหายใจได้วยินไหมเนี่ยหลางตาบอกหรือจะให้ไปทําตอน ตอนอยู่ห้องไอซียูนอนหัดเดี๋ยวนี้จะไม่ดเหลือเืนแต่เด็กสกนมนะ <c oughs> เออหลับสบาหลับสาบายสาบายอย่าไปเอาลมาหายใจมาเป็นทุกข์หลับสาบายแล้วก็ก็หลับเงียบไปพอตื่นขึ้นมากับพวกเราขอปากกากับน้องสาวกับกระดาษมาเขียน แต่เขียนไม่เลื่อนตานะเขียนหนังสือไม่เลื่อนตามันก็อยู่ในแถวเดียวกันเรามาอ่านดูพออ่านเพอแก้ได้ว่าพอหลองตาพูดว่าให้มาอย่าเอาหลมหายใจมาตทดลองชีวิตต้องไปชีวิตเลยทํำมันก็สบายรวมสบายเอออยู่ตรงนี้นะ อย่าไปเอาลมหายใจก็ฝากไว้ชีวิตกับลมหายใจไม่ได้คีิตเราต้องไม่เป็นอะไระให้เตายูงนี่นะให้หลับสบายนะแล้วก็น่าตาหยิ้มพี่ตอนที่หายใจไม่ได้ทรมานหน้าตานี่โอ๊ยไม่น่าดูเลยแล้วเขาก็หลมแล้วก็กตายในะขณะนั้นเหมือนคนนอนหลับหน้าตาแยกจาาตยนะ เ, เหมือนพระเจ้าโทสะได้ใ น, นผานก่อใ จ, จะขาดทั้งหานาทีมันก็ไม่ได้ตอนนั้นนะ่ะบางคนก็ไม่รู้อะไรเลยทุ่ใจหูก็ไมร่รู้เอาขิกไปเคาะปอกปอกปอกบา ง, งก็ไม่ได้ยิน <c oughs> หรือก็ดิ่งไปด้วยนอนอยู่ในห้องไอซยูเอาก็ดิง่งก็ปอ พระพระอรหังสัมมาสัมพุทธ佛ค่ะว่าพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นพระราหานมันไม่ได้ยินเลย <c oughs> ไม่ได้ยินนะแต่บางคนก็ขอสวดไปสวด ไ, ไปก็ภาวนาขึ้นมาพอได้ยินบ้างช่วยวันนี้มันก็ช่วยได้ให้ช่วยไม่ได้แล้วหัดวันนี้ดีกว่า ปีใหม่แล้วนะพวกนี้นะเสริมโทษเถอถ้ามีที่ไปมาที่นี่เราจะเป็นเพื่อนเป็นพิษนะที่นี่เนี่ยดียังไงดียังไงที่นี่ก็หนึ่งละแผ่นดินนี้ห้ารอยไร่ไม่มีสารพิษเคมีปุ๋ยอินปุ๋ยเคมียาฆ่ า, าแมลงไม่มีในป่าเนะย น้ำที่ตกลงนี่ไหลลงสู่สะสะมันก็ไม่น้ำไหลมันซึมเข้าไปเราจะนอนบนไหนก็ได้ในแผ่นดิดนนี่ไม่มีสารพิษเป็นธรรมชาติน้ำอาบอาบได้น้ำดื่มก็น่าพ้นผลที่นี่บริสุทธิ์มากไม่มีโรงงานแล้วก็กองอาจอร์นทุ่มจอ ทำเครื่องกรองอย่างดีเติมได้อาหารก็ยกออกจากหม้อไปตั้งให <c oughs> ท้ที่ไม่ต้องเช่าข้าไม่ต้องซื้อนะถ้าขาดเกินอะไรไปหาอาจารย์ทุ่มอาจารย์ทุ่มเชื่ไม่ได้มาบอกหรวงตาหลองตาจะพาพระทั้งหลายไปหาบินทบาท <c oughs> ยังไม่ถึงขนาดนั้นชักทีสี่สิบกว่าปีมาแล้วถ้าหนาวก็มีผ้าให้ห่มเจ็บเพ้่อเลยพ่วยห่จะดูแลไม่ทอดไมทิ้งพาไปหาหมอนั่นหมอสุนทรีนั่งอยู่ตรงนั้นลองไ่หวานชัยวงนะเขาบอกว่าไปจากวัดป่าสุโตหมอสุนทรีเป็นทุละทันทีเลยช่วยเลยนะ <c oughs> เอาไหมเท่านี้ก็พอลนะ เอากระพาะพองกัน